เรียนธรรมะไม่ได้เป็นเรื่องยากอะไรหรอกแต่ว่าเราจะทําตัวแบบเรียนตามยถ า, ากรรมในอดีตที่ผ่านมาเวลาเรียนธรรมะเรารู้สึกยุ่งยากมากเลยธรรมะซับซ้อนธรรมะสับสนเรียนแล้วก็จับต้นชนปลายไม่ถูกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เราไปเรียนในรูปแบบของการปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเราเข้าวัดนี้เขาพาหายใจก็หายใจตามเขาไปไม่รู้ว่าหายใจเพื่ออะไรหายใจเราจะได้อะไร เข้าวัดนี้ก็พาเดินก็เดินตามเข้าไปนะเดินท่าทางเหมือนเขาเดินเพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเดินแล้วจะได้อะไรก็ไม่รู้ะทางนี้ขยับมือสายหลวงพ่อเทียนขยับมือก็ขยับตามตามไปหลวงพ่อเทียนยังบอกนะว่าขยับให้ตื่นอะไรหลายแห่งในที่เราเรียนธรรมะแล้วรู้สึกมันยากยากนะมันธรรมะเป็นอะไรอย่างหนึ่งทึ่งจับต้องไม่ได้เลยเลือนลางเป็นภาพที่เลือนลางอยู่ไกลๆ อยากได้ธรรมะแต่ไม่รู้ว่ามันคืออะไรอยากปฏิบัติแต่ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงยังถ้าเราไม่รู้ทิศทางเนี่ยการเรียนของเราการปฏิบัติทำของเราก็สเปสเปสะปะทำตามยถากรรมทำตามตามกันไปทั้งๆที่คําสอนของพระพุทธเจ้านะชัดเจนมากเลยท่านบอกคําสอนของพระพุทธเจ้านนะงดงามในเบื้องต้นในถำกลางงดงามในที่สุดคือมันสมเหตุสมผลไปหมด ทำอันนี้ก็เพื่ออันนี้ทำอย่างนี้แล้วจะได้อันนี้ได้อันนี้แล้วจะเป็นอย่างนี้อะไรเงี้ยถ้าอยากอธิบายไว้ชัดมันคล้ายๆการเรียนของคนสมัยใหม่นั่นแหละหรือเราทำงานเราทำธุรกิจทำอะไรเนะี่ยอันแรกเลยเราก็ต้องมีวัตถุประสงค์มีเป้าหมายทำไปเพื่อสิ่งนี้เสร็จแล้วเราก็มาดูทรัพยากรที่เรามีดูเงื่อนไขที่เรามีด้านดีด้านด้านจุดอ่อนจุดแข็งของเราเอง เพื่อมากําหนดวิธีการที่จะบรรลุเป้าหมายเสร็จแล้วก็ดําเนินการตามวิธีการทําแบบมีทิศทางไม่ใช่ไร้ทิศทางไม่ใช่ทำตามตามกันไปใครก็ทําก็ตามๆเข้าไปอันนั้นไม่ใช่ลักษณะของมนุษย์หรอกทำตามตามกันนะลักษณะของสัตว์เคยเห็นไหมมีนกฝูงใหญ่ๆนีหัวหน้ามันบินไปทางไหนมันก็บินตามไปหัวควายนะมันก็มีหัวโจกจากฝูงอยู่จะฝูงไปทางไหนพรกพวกก็เดินตามไป เราไม่ใช่วัวใช้กไวนั่นเราจะทําอะไรจะทําเพื่ออะไรจะทําอย่างไรนี่ต้องชัดเจนพระพุทธเจ้าสอนสิ่งเหล่านี้ไว้อย่างชัดเจนไม่ใช่ว่าทำทำไปเถอะแล้วก็ดีเองเลยมันจะดีได้ไงจะทําเพื่ออะไรยังไม่รู้เลยรู้แต่อย่างเดียวว่าอยากพ้นทุกข์อยากได้มรรคผลนิพพานอยากมีดวงตาเห็นธรรมนิพพานเป็นไงก็ไม่รู้จักดวงตาเห็นธรรมเป็นยงไงก็ไม่รู้จักไม่รู้อะไรสักอย่างก็ทำตามตา ม, ตามกันไป แอันนั้นทําตามยถากรรมมากไปยากมันคล้ายๆเคยเห็นที่เขาเล่นกันนะที่เป็นช่องๆเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวทางนี้ตันเลี้ยวทางนี้ไปได้อะไรเงียเหมือนเราเดินอยู่ในเขาวงกุดแบบนี้นเวียนๆไปเรนะื่อยหาทางออกไม่ได้น้อยคนออกที่หลุดออกไปคนส่วนใหญ่ก็ไปติดตันอยู่ที่ใดที่หนึ่งไปไม่รอดนะแต่ถ้าพวกเรารู้ว่าเราจะทําอะไรเพื่ออะไรนะแล้วก็มาดูตัวเอง เรามีทรัพยากรแค่ไหนมีจุดอ่อนจุดแข็งตรงไหนมาวิเคราะห์ตัวเองให้ถูกต้องแล้วก็มันจะมาสู่การกําหนดวิธีการปฏิบัติที่เหมาะกับตัวเราเองหนทางปฏิบัติของคนแต่ละคนไม่เหมือนกันะเอาอย่างกันไม่ได้เพราะจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันความพร้อมของแต่ละคนไม่เหมือนกันรวมทั้งความไม่พร้อมก็ไม่เหมือนกันแต่ว่าเป้าหมายที่เราจะไปนี่วัตถุประสงค์เป้าหมายนั้นมันอันเดียวกัน วัตถุประสงค์หมายถึงเป้าหมายสุดท้ายเลยสิ่งสุดท้ายที่เราต้องการบรรลุถึงนเราต้องการบรรลุถึงอะไ ร, รต้องการบรรลุถึงความพ้นทุกข์สิ้นเฉิงพูดง่ายๆต้องการเข้าถึงปรินิพานอย่าไปวาดภาพนิพานอนาถามากคนซึ่งไม่เข้าใจนะก็ไปวาดภาพนิพานว่าศูนย์สิ้นทุกสิ่งทุกอย่างอีกพวกหนึ่งก็วาดภาพนิพานว่าโหมีแต่สิ่งดีๆทุกสิ่งทุกอย่าง นิพพานไม่ใช่มีอยู่นิพพานไม่ใช่ศูนย์ไปนะไม่ใช่ขาดศูนย์ถ้าขาดศูนย์เป็นมิจฉาทิฏฐิชื่ออุดเฉททิฏฐิถ้ามีอยู่อย่างถาวรมีตั ว, ม, ตวมีตนอยู่เป็นสัตสตทิฏฐิสองอันนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิทั้งคู่นิพพานคือสภาวะที่สิ้นทุกนะสิ้นกิเลสสิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งเนี่ยต้องรู้ก่อนว่านิพพานเป็นไงเราจะมรรู้ถึงความสิ้นทุกขสิ้นทุกได้เพราะมันสิ้นความดิ้นรนปรุงแต่ง สิ้นความดิ้นรนปรุงแต่งได้เพราะมันสิ้นกิเลสมันมีเหตุมีผลนะไม่ใช่อนาถานิพานเป็นโลกโลกหนึ่งคยครๆบ้านจัดสรรพระพุทธเจ้าอยู่หัวถนนสาวกก็อยู่ตามถนนสายเป็นสายๆั้งบางคนสอนอย่างนั้นนะพี่ลึกพี่ล่นเพราะอะไรเพาะติดในความเป็นตัวเป็นตนคิดว่ามีตัวตนถาวรความจริงนิพานเป็นความสิ้นทุกข์นะสิ้นความปรุงแต่งสิ้นกิเลส นี่ทำยังไงจะบรรลุถึงนิพพานอยู่ๆจะให้สิ้นทุกข์เลยได้ไหมจะให้สิ้นความปรุงแต่งเลยได้ไหมจะให้สิ้นกิเลสเลยได้ไหมเป้าหมายสุดท้ายเรียกว่าวัตถุประสงค์ objectiveobjective อยู่ไกลที่สุดเลยก่อนจะไปถึงจุดสุดท้ายปลายทางอันนั้นเราก็ต้องผ่านการกำหนดเป้าหมายก่อนเป้าหมายคือโกลมีเป็นจุดๆไป เป้าหมายแรกของผู้ปฏิบัตินะต้องเป็นพระโสดาบันให้ได้เป้าหมายถัดไปเป็นพระสกทาขาถัดไปเป็นพระอนาคาแต่และเป้าหมายเนี่ยเราก็ต้องรู้พระโสดาบันท่านละอะไรได้ท่านรู้อะไรท่านละอะไรท่านรู้ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดาท่านละอะไรได้ท่านละความเห็นผิดว่ามีตัวมี ต, มตนที่ถาวร น, นะนี่ท่านละอันนี้ แล้วทำยังไงเราจะเห็นถูกว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปทำยไงเราจะละความเห็นผิดว่ามีตัวตนถาวรได้นี่แหละคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเป็นวิธีเจริญปัญญาเพื่อให้จิตเกิดความฉลาดฉลาดจนกระทั่งรู้ความจริงว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปฉลาดจนกระทั่งรู้ความจริงว่าตัวตนถาวรไม่มี พระโสดาบันนี่จะเห็นว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปทุกสิ่งทุกอย่างในกายในจิตเนี่ยมีแต่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปแต่ทั่งจิตเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปจิตไม่ได้มีดวงเดียวคนซึ่งไม่เคยภาวนานะหรือภาวนาผิดๆจะรู้สึกว่าจิตมีดวงเดียวคือตัวเราอยา่างปุถุชนทั้งหลายนะจะรู้สึกเลยในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งรู้สึกไหมพวกเรารู้สึกไหมในนี้มีเราคนนึง เราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็เป็นเราคนเก่าหน้าตาเราเปลี่ยนไปแต่เรานี้เราคนเดิมใช่เรามีมิจฉาทิฏฐิเราเห็นว่ามีตัวหนึ่งเที่ยงมีตัวเราถาวรเนี่ยเราเป็นปุถุชนแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันจะเห็นว่าไม่มีตัวตนถาวรกระทั่งจิตเองเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องกันมาเรื่อยๆงั้นเราจะเหละความเห็นผิดได้ว่ามีตัวตนถาวรเราจะเกิดความเห็นถูกได้ว่าสิ่งใดเกิดขึ้นสิ่งนั้นดับไปเป็นธรรมดา เราต้องดูของจริงเนะนี่ยมาสู่หลักของการปฏิบัติวิปัสสนานี่หลักนะหลักของมันก็คือต้องรู้ความจริงว่าตัวตนไม่มีสิ่งที่เรียกเราเรารู้สึกว่าเป็นตัวเป็นตนก็คือกายกับใจนี่เองคือขันธ์ห้ า, า, หาคือรูปกับนามเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่เรียนเรื่องอื่นถ้าอยากเป็นพระอราหันต์อยากเป็นพระโสดาบันอยากบรรลุมรรคผลนิพพานต้องเรียนเรื่องกายเรื่องใจไม่ใช่เรียนเรื่องอนะื่น แล้วก็ต้องเรียนให้เห็นความจริงของกายของใจด้วยความจริงของกายของใจเรียกว่าไตรลักษณ์กายนี้ใจนี้ไม่เที่ยงกายนี้ใจนี้ถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทนอยู่ในภาวะอันแดอนหนึ่งไม่ได้กายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเราหรอกะมันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับมันบังคับไม่ได้มันสั่งไม่ได้มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงถ้าเป็นตัวตนแท้จริงต้องสั่งได้นี่สั่งไม่ได้ร่างกายเนี่ยสั่งไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายสั่งไม่ได้ จิตใจเนี่ยสั่งให้สุขอย่างเดียวสั่งไม่ได้สั่งให้ดีอย่างเดียวสั่งไม่ได้เนี่ยมันเป็นอนัตตามันบังคับไม่ได้มันเป็นไปนตามเหตุไม่ใช่ตามที่เราสั่งการทำวิปัสสนานะ่ยคือการที่เราเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจของขันนะของธาตุของอายตนะว่าเป็นไตรลักษณ์ทำไมต้องหลายสํานวนเหลือเกินเพราะคนทั้งหลายเนี่ยรู้สึกว่ามีตัวตนมีตัวเรา มันมีตัวเราขึ้นมาเพราะมันมีองค์ประกอบหลายอย่างมารวมกันขึ้นมาแล้วก็เลยรู้สึกว่ามีตัวเราเหมือนรถยนต์หนึ่งคันนะเป็นรถยนต์ขึ้นมาได้เพราะมีองค์ประกอบมีอะไรต่างๆเยอะแยะมารวมกันขึ้นมาก็เป็นรถหนึ่งคันบ้านหนึ่งหลังนะเป็นบ้านขึ้นมาได้ก็เพราะมีองค์ประกอบจํานวนมากมารวมกันอยู่สิ่งที่เรียกว่าตัวตนก็เหมือนกันนะก็ประกอบด้วยองค์ประกอบจํานวนมากบางท่านบางคนพระพุทธเจ้าก็สอน ให้แยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกเป็นขันนี่ขันเป็นรูปเวทนาเป็นรูปเป็นเวทนาคือความสุขทุกข์เป็นสัญญาคือความจำได้และความหมายรู้จำได้กับหมายรู้ไม่เหมือนกันเป็นสังขารคือความปรุงดีปรุงชั่วปรุงกลางกลางเป็นวิญญาณคือเป็นตัวรู้นีบางคนท่านสอนให้แยกสิ่งที่เป็นตัวเราออกมาเป็นขันบางคนท่านสอนให้แยกสิ่งที่เป็นตัวเราออกเป็นอายตนะ อย่างตัวเราก็ประกอบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่เรียกว่าตัวเรามารวมกันก็มาเป็นตัวเรารูปเบชนาสัญญาสังขารวิญญาณขันห้ามารวมกันขึ้นมาก็รู้หมายรู้ว่าเป็นตัวเรานะบางคนท่านจะสอนให้แยกออกเป็นธาตุแยกกายแยกใจนี่แหละแยกตัวเรานี่ออกเป็นธาตุธาตุมีสิบแปดธาตุเยอะธาตุสิบแปดธาตุไม่ใช่ธาตุทางเคมีนะ ถ้าทางเคมีมีร้อยกว่าธาตุแล้วแต่ธาตุในทางธรรมะที่จะแยกสิ่งที่เรียกว่าตัวเราออกไปมี18บธาตุคืออะไรคือตาหูจมูกลิ้นกายใจนะคืออะไรอีกคือรูปเสียงกลิ่นรสพุพธพะธรรมรมคืออะไรอีกคือวิญญาณที่เกิดขึ้นทางตาวิญญาณที่เกิดทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่แยกออกเป็นสิปดอย่างละหกหกหนะ อายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกวิญญาณที่เกิดทางอายตนะอีกหกเนี่ยคนเราจะเห็นว่าตัวเราตัวเราเองก็เห็นหยุดในสิ่งเหล่านี้เองนี่มีหลายสำนวนทําไมท่านบางคนท่านสอนให้รู้ขันบางคนสอนอายตนะบางคนสอนธาตุเพราะจริตนิสัยคนไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนธรรมะตามจริตนิสัยของคนคนที่ท่านสอนเรื่องขันเนี่ยนะเป็นคนที่ถนัดที่จะดูจิต ถ้าในขันห้ามีรูปธรรมอยู่หนึ่งขันเท่านั้นเองนะมีนามธรรมเชื่อตั้งสี่ขันเะนี่ยคนไหนถนัดดูจิต ด, ดูใจนะถ้าจะมาชํานาญในเรื่องขันนะมีรูปเนือ้อรูปดวอันเดียวอย่างรูปเห็นรูปมันไม่ใช่เรานะแต่ขันเนี่ยแยกออกไปส่วนนี้เป็นความรู้สึกนะรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์ส่วนนี้เป็นความจําได้หมายรู้ส่วนนี้เป็นความคิดนึกปรุงแต่งส่วนนี้เป็นความรับรู้เนะีนะ่ยเป็นตัวรู้ แยกออกมาเป็นนมามธรรมซะทั้งสี่ส่วนงั้นเวลาคนไหนถนัดดูจิตดูใจดูนมามธรรมนะพระพุทธเจ้าเทพนี้จะเทพเรื่องขันให้ฟังบางคนพระพุทธเจ้าประเทศเรื่องอายตนะให้ฟังพวกนี้ถนัดเรื่องรูปในอายตนะหกใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปใช่ไหมตาหูจมูกลิ้นกายเป็นรูปใจเป็นนามสอนเรื่องใจนิดเดียวสอนเรื่องรูปเยอะแต่ก็มีทั้งรูปทั้งนามแหละนะ คนไหนที่ถนัดเรื่องรูปนะท่านจะสอนอายตนะให้นิดแล้วคนไหนถนัดอะไรถึงสอนทา่าสิบแปดพวกชอบเยอะๆชอบรู้ทั้งรูปทั้งนามพวกรู้มากอะรู้มากยากนานนะั้นในทาสิบแปดนี่นะมีรูปจํานวนมากมีนามจานวนมากมีเยอะแยะเลยเรียนให้สะใจไปเลยนะนี่พวกเราทุกวันนี้นะเราก็ต้องดูตัวเองเราจะเอาขันหรือเอาอายตนะก็พอแล้วนะ ธาตเนื้อเยอะไปเยอะเกินจําเป็นแต่บางคนชอบคิดมากมก็ต้องเรียนให้เยอะไว้ก่อน mm hmm. เผื่อสมัยพระศรีอานมาแล้วจะได้กลัดสรูท้ท mm ัน hmm. ตามท่านได้เรียนไปก่อนให้เยอะๆเ mm hmm. นี่ยแต่ละคนนะจะต้องเรียนไม่เหมือนกัน mm hmm. เพราะอะไรเพราะจริตนิสัยไม่เหมือนกันนะนี่วิธีที่จะปฏิบัติหนึง่งมาจากการวิเคราะห์ตัวเองอีกนะจริตนิสัยของเราเป็นยังไง mm hmm. ต้องมาดูตัวเองนะ คําสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็จําแนกนะคนนี้สอนงี้คนนี้สอนแบบนี้นี่พอถึงการปฏิบัติเราก็ต้องมาดูตัวเราเองนะีการปฏิบัติทั้งหมดเนี่ยมันจะอยู่ในขอบเขตของสติปัฏฐานคือการมีสติรู้กายรู้ใจนั่นเองรู้รูปรู้นามนั่นเองแตแ่แจกแจงออกไปให้เยอะขนาดไหนก็ไม่เป็นไรนะอย่างเรื่องาธาตุมันก็ไปอยู่ในในอะไรธรรมานุ ป, ปัสสนานีนะมันลึกซึ้งมีเยอะแยะนะมีทั้งรูปทั้งนาม คนไหนถนัดเรื่องรูปเพื่อมารู้กายนี่คนไหนถนัดรู้นา ม, มาทำนะก็มารู้เวทนานะรู้จิตจิตตานุปัสสนาเวทานานุปัสสนาเราฝึกไปชำนิชำนามจะเข้าไปสู่ธรรมานุปัสสนาอัตโนมัติสุดท้ายไปแจ้งที่ธรรมานุปัสสนาทุกคนนะไม่ว่าใครหรอกภาวนานะี่ยขั้นสุดท้ายขั้นแตกหักจริงๆแนละ้วจะแจ้งอริยสัจอริยสัจนะี่อยู่ในธรรมานุปัสสนาบทสุดท้ายเลย บาปสุดท้ายเลยงั้นเบื้องต้นบางคนรู้กายบางคนรู้เวทนาบางคนรู้จิตอย่างเงี้ยสุดท้ายก็ไปรู้ธรรมแจ้งอริยสัจนี่ทําไมบางคนรู้กายบางคนรู้เวทนาบางคนรู้จิตบางคนรู้ธรรมบางคนเริ่มจากธรรมเลยก็ได้นะแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านเริ่มจากธรรมเลยะท่านเจริญสติปัฏฐานเลยเจริญธรรมานุปัสนาท่านเห็นอริยสัจท่านเห็นปฏิจจสมุปบาทเลยนั่นมือระดับพระพุทธเจ้า ระดับเราไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะจริตนิสัยในการปฏิบัติมิปั ส, สนานั้นมีสองกลุ่มกลุ่มที่หนึ่งเรียกว่าตัณหาจริตกลุ่มที่สองเรียกว่าทิฏฐิจริตตัณหาจริตนะัหมายถึงพวกรักสุขรักสบายรักสวยรักงามเราสํารวจใจของเราเองเรารักสุกรักสบายรักสวยรักงามไหมแต่ละวันนะั้นนั่งสองกระจกปลื่มเป็นนุ่มๆก็ โชกล้ามสวยเท่เนี่ยนี่พวกนี้พวกตันหาจริตนะทำตัวต้องหอมหอมไว้ทั้งวันเนี่ยต้องสวยไว้ก่อนหลอไว้ก่อนนะกินอยู่ต้องประณีตนะต้องของดีๆของไม่ดีไม่ได้อะไรเงี้ยประณีตมากเลยรักสุขรักสบายรักสวยรักงามคนชนิดนี้เรียกว่าพวกตันหาจริตพวกโลภมากนะพวกตันหาจริตเนี่ยกรรมาฐานที่เหมาะกับพวกตันหาจริตนะ คือกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาเพราะกายและเวทนาเนี่ยมันแสดงได้ชัดเจนนะว่าไม่สุขไม่สบายไม่สวยไม่งามนะไม่ใช่ของดีของวิเศษหรอกชีวิตนี้ไม่ได้สุขไม่ได้สบายไม่ได้สวยไม่ได้งามมันดัดนิสัยพวกที่รักสุขรักสบายรักสวยรักงามจริตนิสัยอีกชนิดหนึ่งเรียกว่าทิฏฐิจริตพวกคิดมากวันวันนั้นนั่งวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์วิภาษนะ วิโนนวินี่สุดท้ายวิกลจริตคิดมากไปนะคิดมากพวกคิดมากเนี่ยกรรมฐานที่เหมาะกับพวกคิดมากพวกทิฏฐิจริตนะคือจิตตานุปัสสนาและธรรมานุปัสสนายังไงสติปัฏฐานมีสี่ใช่ไหมสีม่ 4, 4, แต่แบ่งเป็นสงค่ายค่ายละสองกายและเวทนาเหมาะกับพวกตัณหารจริตจิตตานุปัสสนากับธรรมานุปัสสนาเหมาะกับพวกทิฏฐิจริตพวกช่างจิตทําไมต้องมีสองทำไมอย่างหนึ่งนะ จริตหนึ่งมีสองอย่างจริตหนึ่งมีสองอย่างตัณหาจริตก็มีกรรมฐานสองอันทิฏฐิจริตก็มีกรรมฐานสองอันมันเป็นกรรมฐานที่ง่ายกับยากบางคนเรียนง่ายๆไม่พอใจต้องเรียนยากๆบางคนเรียนง่ายๆรู้สึกตื้นไปไม่พอใจไม่สะใจไม่สมกับปูมงั้นกรรมฐานเลยมีสําหรับตัณหาจริตนี้สองอย่างกายานุปัสสนานี่เป็นกรรมฐานที่ทําง่ายงั้นพวกไหนเป็นตัณหาจริตนะขอแนะนําให้รู้กาย เห็นร่างกายหายใจเข้าร่างกายหายใจออกใจเป็นคนดูเห็นร่างกายากายืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูนะไปดูอย่าง น, น, นี ard, ้ไปเรื่อยๆส่วนเวทนานุปัสสนานั้นทํายากทํายากกว่าเพราะว่าละเอียดกว่าประณีตกว่าเวทนาอยู่ในกายก็มีเวทนาอยู่ในจิตก็มีละเอียดขึ้นไปอีกทํายากนี่สําหรับคนคิดมากนะขอแนะนําให้ดูจิตจิตตานุปัสสนาทําง่ายธรรมานุปัสสนาละเอียดซับซ้อนลึกซึ้งทํายากกว่า นะทํายากกว่าอย่างพระนนทนะพระนนทท่านทํากายานุปัสนาจนเป็นพระอราหันตะ์คือสุดท้ายยังเจริญกายานุปัสนาอยู่เลยพระสารีบุตรเนี่ยจีเนสมากฉลาดมากนะท่านเจริญเวทนานุปัสนานะไม่เหมือนกันพระอนุรุตพระอนุรุตท่านดูจิตเป็นจิตตานุปัสนาอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมานุปัสนานะไม่เท่ากันความรู้ความสามารถไม่เท่ากัน พวกเรานะีอินทรียอ่อนยอมรับความจริงเสถ่ดยอมรับความจริงเสถ่ดถ้าอินทรียแข็งคงไม่มานั่งฟังหลวงพ่อประโมทเทศหรอกคงได้ฟังพระพุทธเจ้าเทศนะพวกเราอินทรียอ่อนนะรับสารภาพมายอมรับเงั้นคนไหนรักสุขรักสบายรักสวยรักงามคอยรู้กาให้มากๆคนไหนช่างคิดคอยดูจิตให้มากๆเอากายเอาจิตนี่แหละเป็นสนามรบเป็นแบบฝึกหัดของการเจริญวิปัสสนา มือระดับเราไม่ถึงทำมานุภัสนาง่ายๆหรอกกายานุปัสสนาบางอย่างก็ยากนะอย่างอาณาปานสติเนี่ยเป็นกายานุปัสสนาที่ยากเพราะละเอียดประณีตมากเลยหายใจไปหายใจไปมันจะพลิกไปเป็นสมถะซะเกือบหมดยากมากเลยที่จะให้เป็นวิปัสสนาแล้วสรุปตอนนี้นะสรุปนะว่าการปฏิบัตินี่มีสองข่ายพวกสรรหาจริตนะให้ดูกายพวกทิฏฐิจริตให้ดูจิต การดูกายกับดูจิตนี่มีเงื่อนไขที่ต่างกันมีตัวช่วยที่ต่างกันการดูกายจะทําได้ดีถ้าทําสมาธิซะก่อนเพราะนั้นกายานุปัสสนาและเวทนานุปัสสนาทั้งคู่เนี้ยเหมาะ ก, กับสมถายานิกเหมาะ ก, กับคนทรงฌานนะถ้าคนทรงฌานไม่ได้มาดูกายเนี้ยดูยากครูบาจารย์วัดป่าทําไมภาวนาเก่งเห็นไหมก่อนที่ท่านจะมาดูกายกันเนี่ยท่านทําสมาธิกันก่อนถูกตำราอภิธรรมเป้เล กายานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับสมถียานิกเหมาะกับคนทําสมาธิส่วนจิตตานุปัสสนานะเหมาะกับพวกทําสมาธิไม่ได้เรียกว่าพวกวิปัสสนาญานิกพวกใช้ปัญญานําพวกกายานุปัสสนาเหมาะกับพวกที่ใช้สมาธินําปัญญาพวกจิตานุปัสสนาเนี่ยเหมาะกับพวกที่ใช้ปัญญานําสมาธิคนรุ่นเราเนี่ยทำสมาธิยากแล้วเพราะพวกเราส่วนใหญ่เป็นนักคิดใครรู้สึกตัวว่าช่างคิดบ้าง ยกมือให้ชมโฉบหน่ช่างคิดคิดทั้งวันอ่ะมีใครรู้สึกว่าวันวันไม่คิดมากเลยเสริมสวยอย่างเดียวมีแหมก็มีเหมือนกันนะแต่มันน้อยแล้วคนยกเนี่ยมันจะมาสวยอยู่อย่างเดียวไม่ได้แล้วจะกลียดกลายนะห่มสบายนะให้สวยงามเดินกระชดกระช้อยนะกระมิดกระเมี้ยนกระบิดกระบวนอะไรเงี้ยทำยากละนะ ยุคนี้ดูฉึกฉักฉึกฉับุบฉับฉุบฉับนะวุ่นวายตลอดวันตั้งแต่เช้ายันค่ำคิดทั้งวันเลยงั้นคนรุ่นเราเนี่ยนะจะทําฌานมันทํายากทําสมาธิทํายากนะให้จิตสงบเป็นหนึ่งเพราะแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยฟุ้งซ่านอยู่มาทั้งวันละคิดทั้งวันฟุ้งซ่านอยู่ทั้งวันทําความสงบไม่ไหวตกค่ำไปนั่งสมาธิก็นั่งหลับแะมันหมดเรี่ยวหมดแรงนะ เพราะนันพวกเราจะหวังว่าจะทำสมาธิก่อนแล้วจะมาเจริญปัญญาเนี่ยชาตินี้คงไม่ได้เจริญปัญญาหรอกเรียกว่าอนาถามากนะเรื่องทรัพยากรจำกัดเมื่อทรัพยากรจำกัดนะไม่สามารถทำฌานได้มีทรัพยากรจำกัดกรรมาฐานที่เหมาะกับพวกทรัพยากรจำกัดทำฌานไม่ได้ก็คือการดูจิตนี่เองการดูจิตเนี่ยอย่าเริ่มด้วยการทำฌานถ้าเริ่มด้วยการทาฌานนะจิตจะนิ่ง ไม่กระดุกกระดิกอะไรให้ดูเลยมันจะนิ่งอยู่งั้นแหละเป็นวันๆเลยนะออกจากสมาธิมาันก็นิ่งอยู่งั้นแนหะไม่มีใจรักณให้ดูหรอกเพื่อการดูจิต ด, ดูใจนี่นะดูความรู้สึกของเราไปเลยในชีวิตประจําวันนี้แหละดูเข้าไปเลยตื่นนอนขึ้นมานะก็คิดขึ้นมาละพอตื่นปุ๊บคิดปับ๊บโอ้วันนี้วันจันทร์ต้องไปทํางานนะถ้าจะลดติดหนักวันจันทร์หรือกลุ่มใจเห็นใจกลุ้มใจขึ้นมารู้ทันนะนึกได้เลยวันนี้วันจันทร์ต้นเดือนด้วย เพิ่งเปิดเทอมด้วยโอ้ต้องหนักสาหัสเลยนะรุ่มใจหนักกว่าเก่าอีกเนวันนี้วันจันนะแต่แปลว่าเป็นวันสงกรานุสบายนะเนี่ยใจเราคิดนะความรู้สึกเราก็เปลี่ยนแปลงแล้วเราก็มีสติตามดูไปเนี่ยคอยรู้ความรู้สึกของเราไปจะกินข้าวคอยรู้ความรู้สึกไปตามองเห็นอาหารชนิดนี้สมมติว่าชอบกินไข่เจียวมากเลยมีเด็กบางคนนะมาวัดหลวงพ่อเนี่ยบอกว่า ชอบมาวัดหลวงพ่อประโมทเพราะมีไข่พะโล้ทุกวันพวกชอบกินไข่พะโล้ตามองเห็นไข่พะโล้ดีใจเห็นไหมตามองเห็นรูปดีใจรู้ทันใจที่ดีใจทีแรกใจคิดนะคิดวันนี้วันจันทร์วันอังคารคิดถึงคนนี้คิดถึงคนนี้ใจเราคิดเนความรู้สึกเปลี่ยนเราก็มีสติรู้ทันที่ใจตาเรามองเห็นเห็นอาหารชนิดนี้ชอบเห็นอาหารชนิดนี้ไม่ชอบเห็นคนนี้ชอบเห็นคนนี้ไม่ชอบเนี่ยเราก็มีสติรู้ทัน มีสติรู้ทันหูได้ยินเสียงนะได้ยินเสียงเพลงแว่แว้แวมาเพลงไทยโบราณโบราณฟังแล้วเด็กสมัยใหม่ได้ยินแล้วลำคาลหลอนหน้าลำคาญนะในขณะเดียวกันเวลามาอยู่ตามวัดอยู่ในปา่าอยู่ๆได้ยินเสียงดนตรีไทยแว่แว้แวไม่ใช่ลำคาญนะกลัวเนะี่ยความรู้สึกเราเปลี่ยนนะหูได้ยินเสียงความรู้สึกเราเปลี่ยนนะ ได้ยินเสียงระครังรู้สึกยังไงน้ำลายไหลไหม <c oughs> ได้ยินเสียงระครังแล้วน้ำลายไหลนะ่เหมือนในตำราจิตวิทยานะเห็นไหมความรู้สึกเปลี่ยนนะอยากกินข้าวแนะล้วเห็นไหมตากระทบรูปผูได้ยินเสียงจ ม, มูกได้กลิ่นลิ้นได้รสใจกะระทบสัมผัสใจคิดใจนึกใจปรุงใจแต่งความรู้สึกเปลี่ยนทั้งนั้นเลยหน้าที่ของเราไม่ใช่บังคับให้จิตนิ่งๆไม่ให้เปลี่ยนความรู้สึกอย่าไปบังคับมันเราต้องการให้เห็นว่าจิตมันทํางานได้เอง ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปนั้นจิตก็เปลี่ยนความรู้สึกไปไเรื่อยมันเปลี่ยนของมันเองอย่างถ้าหลวงพ่อชมใครสักคนคุณรู้สึกไหมวันนี้ภาวนาดีดีกว่าเมื่อวานรู้สึกไหมรู้สึกไห ม, มเป็นโปร่งสบายเนี่ยใกล้บรรลุแล้เนี่ยเนี่ยถ้าบอกนี้นะ ถ, ถ้าถ้าถ้าเชื่อนะว่าหลวงพ่อชมจริงๆเิงนะใจจะพองนึกออกไหมพอหลวงพ่อพลิกบอกหลวงพ่อแกล้งชมไปงั้นแหละไม่ได้เรื่องเเเลยยยีี่ใจจะหหว ไม่เหี่ยวก็โมโหเนี่ยหูได้ยินเสียงนะใจเราก็แว่งงั้นอายตนาเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์นะใจเราแว่งตลอดเลยวิธีดูจิตก็คือกระทบอารมณ์ไปนั่นแหละตามธรรมชาติธรรมดาและจิตแข่งขึ้นแกว่งลงนะมีสติตามดูไปเราก็จะเห็นความจริงเลยจิตที่มีความสุขก็อยู่ชั่วคราวจิตที่มีความทุกข์ก็อยู่ชั่วคราวจิตเฉยเฉยก็อยู่ชั่วคราวจิตโลภจิตไม่โลภจิตโกรธจิตไม่โกรธจิตหลงจิตไม่หลงทุกอย่างอยู่ชั่วคราว อ ะ, อะไรๆก็ชั่วคราวหมดเลยนี่แหละคือการเจริญปัญญาดูไปดูไปถึงวันหนึ่งปัญญามันก็เกิดก็จะเห็นเลยว่าโอ้ทุกสิ่งนี้ชั่วคราวจริงๆสุขทุกข์ดีชั่วอะไรต่ออะไรชั่วคราวหมดเลยอย่างบางคนมาดูกายนะทำสมาธิก่อนใจตั้งมั่นเห็นกายมันหายใจใจเป็นคนดูเห็นกายยืนเดินนั่งนอนใจเป็นคนดูเนี่ยต้องมีใจเป็นคนดูมีจิตที่ตั้งมั่นจิตจะตั้งมั่นได้ดีต้องทาสมาธิมาก่อน ถ้าไม่มีสมาธิมาก่อนไปดูท้องผองยุคเนี่ยจิตจะไหลไปแช่อยู่ที่ท้องไปเดินจงกรมจิตจะไหลไปอยู่ที่เท้าไปรู้ลมหายใจจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเนี่ยดูกายเนี่ยนะต้องมีจิตที่ตั้งมั่นเพราะฉนั้นต้องทําสมาธิก่อนแล้วจิตมันจะตั้งมั่นเด่นหรือทั้งวันเลยเห็นร่างกายเคลื่อนไหวจิตจะแยกออกมาแต่ถ้าจะทําแบบสมถาธ้แบบวิปัสสนาญาณิกดูจิตเนี่ยดูไปเลยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไม่ต้องไปตั้งตัวผู้รู้ขึ้นมาเพราะนั้นการปฏิบัติเลยมีสงแนวทาง พวกหนึ่งใช้สมาธินำปัญญาเนี่ยทาสมาธิขึ้นมาจิตตั้งเป็นตัวผู้รู้ขึ้นมานะแล้วมาดูกายเห็นในร่างกายยืนเดินนั่งนอนเป็นของถูกรู้ถูกดูนะร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเป็นของถูกรู้ถูกดูไม่มีตัวเราสักอันเดียวมีแค่สิ่งที่ถูกรู้สิ่งใดถูกรู้สิ่งนั้นไม่ใช่ตัวเราหรอกเห็นพัดไหมใครรู้สึกพัดเป็นตัวเราบ้างใครรู้สึกยาดมเป็นตัวเราใครรู้สึกว่าหลวงพ่อเป็นตัวเราไม่รู้สึกหรอกเห็นไหมมันอยู่ห่างห่างมันถูกรู้ถูกดู เวลาใจเราตั้งมั่นนะมาดูกายหเห็นกายมันอยู่ห่างๆนะมถูกรู้ถูกดูดูเวทนานก็อยู่ห่างๆอีกนั่นแหละนี่สำหรับพวกที่เล่นฉันนะดูกายไปเห็นอย่างนั้นจะเห็นว่ากายก็ไม่ใช่ตัวเราเวทนาก็ไม่ใช่ตัวเรานะพวกดูจิตนั่นก็ตามรู้ความเปลี่ยนแปลงไปเลยนะจิตสุขจิตทุกขจิต ด, ดีจิตชั่วนะมีแต่เกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับทุกอย่างชั่วคราวนี่ฝึกอย่างนี้ไปนะไม่ว่าจะแนวทางใดเนี่ยสุดท้ายจะไปล้างกิเลสแบบเดียวกัน Na, คือล er ้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้พอล้างความเห็นผิดว่ามีตัวเราได้เพราะอะไรเพราะเห็นเลยทุกอย่างมันเกิดระดับทุกอย่างมันเกิดระดับไม่มีสิ่งที่เรียกว่าตัวตนถาวรพอล้างความเห็นผิดตัวนี้ได้ก็เป็นพระโสดาบันเป็นพระโสดาบันแล้วต่อไปนะไม่ว่าจะเผลอแค่ไหนนะก็จะพอมาดูกายดูใจจะไม่รู้สึกว่ามีตัวเราเลยจะไม่รู้สึกว่ากายกับใจเป็นตัวเราแต่ความยึดถือยังมีนะในบางคนจะงงว่า เห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราแล้วทำไมยึดถือกายยึดถือใจไว้ได้ไม่ใช่เราก็ไม่ควรจะยึดถือสิพระโสดาบันพระสกทาคามีอะไรพวกนี้นะพระอนาคามีเนะี่ยเป็นพวกที่ฉลาดขึ้นมาแล้วรู้ว่าขันห้าเนี่ยยืมเขามาใช้แต่ยังงกไม่ยอมคืนเจ้าของเหรเราเคยมีไหมเคยไปยืมอะไรของใครเข้ามาใช้ยืมเสื้อเข้ามาตัวนี้สวยจังไรยืมเข้ามาใช้นะไม่อยากคืนเจ้าของ นี่คือความรู้สึกของพระอริยะทั้งหลายที่เป็นพระเสขะที่ยังไม่ใช่พระอรหันต์เห็นแล้วว่าขันนี่ไม่ใช่ตัวเราเป็นรูปธรรมนา ม, มารมเป็นสมบัติของโลกเรายืมมาใช้ชั่วคราวแต่เสียดาเสียดายไม่อยากคืนใชไ ม, ไม่ใช่ของเราแล้วนะแต่อยากได้อยากเอาไว้นา น, านๆรู้สึกว่ามันเป็นของดีของวิเศษส่วนพระอรหันต์เนี่ยท่านมีปัญญาแก่รอบจริงๆนะท่านเห็นว่าตัวขันนี่เป็นตัวทุกข์ล้วนๆเลยไม่ใช่ของดีของวิเศษนะท่านรีบคืนเลย เชิญเอาไปเลยนะไม่เอาไว้แล้วเนี่ยเพราะฉนั้นถึงจะละความเห็นผิดว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเรานะละความเห็นผิดว่ามันเป็นเราได้แล้วเนี่ยความยึดถือก็ยังอยู่ต้องภาวนาไปจนกระทั่งเห็นว่าตัวขันนั่นแหละเป็นทุกข์จริงๆนะจิตถึงจะปล่อยวางขันเพราะฉะนั้นถ้าเห็นทุกข์ก็เห็นธรรมนะทุกข์ก็เลยเป็นสัจจะเป็นความจริงแท้ของพระอริยเจ้าเป็นหนึ่งในอริยสัจสี่นะถ้าเมื่อใดรู้ทุกข์แจ่มแจ้งเมื่อนั้นจะละสมุทัย ละตันหาอัตโนมัติเลยเมื่อใดละสมูทัยเมื่อนั้นแจ้งนิโรธเมื่ได้แจ้งนิโรธเมื่อนั้นละเกิดอริยมรรคขึ้นมาผู้ใดรู้ทุกก็แสดงว่าผู <c utta> да ้นั้นละสมูทัยแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคได้แล้วผู้ใดละสมูทัยได้แล้วเนี่ยก็แสดงว่าผู้นั้นรู้ทุกแจ้งนิโรธเกิดอริยมรรคได้แล้วผู้ใดแจ้งนิโรธได้แล้วนะแสดงว่าท่านผู้นั้นนะรู้ทุกละสมูทัยแล้วเกิดอริยมรรคแล้ว ท่านผู้ที่เกิดอรายาิยมรรคแล้วนะแสดงว่าท่านผู้นั้นรู้ทุกละสมุทไถยแจ้งนิโรธได้แล้วนะเหมือนโต๊ะตัวหนึ่งเนี่ยแต่โต๊ะนี้มันหนักไปหน่อยเหมือนกระดาษสักกระดานไม้กระดานอย่างเนี้ยชูสิยกกระดานชูชูให้คนดูแม้กระดานนี้มีสี่มุมนะเราหยิบขึ้นมาหนึ่งมุมนะมันขึ้นมาอีกสามุมเลยเวลาแจ้งอริยสัจเนี่ยนะไม่มีแจ้งมุมเดียวหรอกแจ้งทีเดียวแจ้งสี่อันเลยนะอ้าวเชิญไปทานข้าว